รองพระมหาเจดีย์กับพระอารามไปงานมหรานก็มีจิตเกิดความคิดลิษยาคือคนที่ลิษยาเนี่ยเพราะว่าไม่ทำมุทิตาจิตคือไม่ค่อยอนุโมทนาความดีของใครไม่ค่อยสาธุว่าโอ้ท่านทำดีแล้วท่านทำดีแล้วกับใครนั่นมันก็เลยลิษยาถ้าเราฝึกมุทิตาจิตบ่อยอนุโมทนาสาธุในบุญกุศลที่คนอื่นเขาทาจะในอดีตนะในปัจจุบัน ถ้าเรารู้รักษาทุไว้เนี่ยเราจะไม่ค่อยดิษยาใครโ อ, โ, อโอ้เขาไม่ได้สมบัติอย่างนั้นโอ้สาธุเขาทําบุญไว้ดีแล้วนะเขาให้ทานอย่างนั้นเอ้าสาธุเขารักษาศีลเขาจเจริมภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นเอ้าสาธุนะแต่ไอพญามาร น, นี่มันไม่สาธุด้วยเดียมันมันไส้เต็มแก่เลยนะคิดที่จะขัดขวางทําลายล้างพิธีกรรมการกุศลทั้งหลายสิน้น จึงเหาะมาจากสวรรค์ชั้นปริมิตา ว, วัสวัตดีในเทวโรขั้นแล้วแสดงอิทธิบรรดาลให้ท้องฟ้ามีลักษณะมืดมัวเหมือนบอกเหตุล่วงหน้าว่าจะเกิดลมพายุใหญ่จากนั้นก็บันดาลลมพายุใหญ่พัดมาแต่ไกลต้องการจะดับประทีปทั้งหลายเหล่านั้นนะเพื่อต้องการกระทําอันตรายในการสักการะบูชาพระมหาตรุษถูกจะดัดบไฟซะก่อนเพราะไฟนี่เต็มแม่น้ําคงคาเลยดูเหมือนว่าในประเทศ ลังกาเวบันวิสาขา์เนี่ยเขาจะบูชากันเต็มเหมือนกันเลยตามสถานที่และบ้านนะด้วยด้วยด้วยไฟเหมือนกับในเชียงใหม่ก็มีเขาก็จะบูชานะจุดไฟหน้าบ้านเนี่ยเอาเอาเอาเป็ น, ปนกระเป็นกระทงหรือเป็นถ้วยถ้วยเล็กๆนะถ้วยถ้วยดวงประทีตเล็กๆนะ่บูชากันอยู่ส่วนพระอุบุขเถระ ผู้ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายได้พิจารณาเห็นเหตุการณ์ก็รู้ว่าเป็นการกระทำของพญามารแน่ก็เข้าสมาบัดจึงจึงใช้อิทธิฤทธิ์ปัดเป่าให้พายุใหญ่ของพญามาร น, นั้นอันตรธานหายไปพญามานเมื่อบันดาลพายุใหญ่ไม่ได้ผลก็โกรธแค้นจึงบรนดานหาฝนทรายกรดทรายที่มันที่มันร้อนน่ สายกรดอันลุ่งโรดดุจเพลิงตกลงมาแต่พระมหาเถระก็อธิษฐานอิทิลิตหอบเอาไปทิ้งเสียนอกขอบจักรวาลอีกนี่มันก็หาเรื่องทำมาเรื่อยๆนะพระยามารบรรดาลให้เป็นเม็ดฝนกรวดกรดแบบคล้ายลูกเห็บอะลูกเห็บแต่ว่ามันมั น, ม, นมันยิ่งกว่านะก้อนก้อนเห็บมันนะ แล้วก็หาฝนก้อนศิลาหาฝนฐานเพลิงหาฝนลมกรดหาฝนน้ำกรดหาฝนอาวุธต่างๆหาฝนเท่ารึงได้แ ก, ก่กองเท่าที่ไม่มีฐานไฟแต่ยังมีความร้อนระอุอยู่หาฝนเปื่อยหาฝนเปือกตมให้ตกลงมาเป็นลำดับกันฝนแถวนี้ก็ตกแถวแม่เบาะก็มีเหมือนกันแนถะแม่เบาะแม่เบาะเป็นเขาขุดเออ หานหินอะไรมาทำเประกว่าฝนตกลงมาชาวบ้านบอกว่าเหมือนกับไอโ้โไอ้ยาพิษตกลงมาเนะ น, นี่ยและยังบันดาลให้เกิดความมืดมิดอันน่ากลัวขึ้นอีกพระมหาเทระก็อธิษฐานจิตนะใช้อิที่ปฏิหารหอบเอาหาฝนเหล่านั้นและความมืดมิดของมยามารไปทิ้งเสียนอกขอบจักรวาลหมดได้ว่าเอาไปทิ้งนอกโลกไปเลย พยามารเมื่อบรรดานอิทธิปฏิหารหลายประการแต่ต้องพ่ายแพ้แก่พระมหาเถระมาตลอดก็ยิ่งโกรธจัดหวังจะเอาชนะให้ได้เห็นว่าเนี่ยเอาชนะชอบเอาชนะคนอื่นเนี่ยไม่ชอบเอาชนะตนเองเพราะนั้นถ้าเราชอบเอาชนะคนอื่นก็เป็นลูกน้องพญามารนะจึงเนรมิตร่างกายเป็นสัตว์ดุร้ายต่างๆเช่นเป็นโคใหญ่วิ่งจะมาชนทวีปทั้งสิ้นให้พินาศ พระมาหาเีละก็เนรมิตร่างกายเป็นรูปพยักษ์รูปเสือวิ่งไล่จะไปจับโคนัน้นโคนั้นก็ตกใจกลัวนะส่งเสียงร้องพิลึกหน้าสะพึงกลัวในมหาสมาคมนั้นทั้งครือหัดมีพระเจ้าอาศกมหาราชเป็นต้นและบรรพชิตทั้งปวงก็ได้เห็นทั่วหน้ากันตอนที่สัตว์ทั้งสองต่อสู้กันเป็นสามารถในเวลาที่โคนั้นล้มลงถึงความพ่ายแพ้ก็กลายร่างเป็นรูปพญานาคมีเสียงเจ็ดเสียง ตรงเข้าคาบร่างกายของพยักษ์ของของเสือใหญ่เสือใหญ่ก็แปลงร่างเป็นพยาครุดแล้วคาบศรีรษะพญานาคไปจนปราชัยคือแปลงเป็นอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องถูกตัดที่มันเป็นศัตรูเหนือกว่ามามาปราบซึ่งกคงคิดเหมือนกันว่าพยามาเนี่โง่นี่แปลงให้มันชนะเขาก็ไม่ได้ทุกทีแปลงดีอะไรก็แพ้เขาทุกทีนะพยามาแปลงจากพญานาคเป็นยักษ์ใหญ่ตัวโตนะถือถือตะบองทองแดงทองแดงใหญ่เท่าลําตาล กัดแกว่งเข้าประหารพยาครุตพระมหาเทระก็แปลงจากพยาครุตมาเป็นรูปยักษ์ที่ใหญ่กว่ายักษ์นั้นอีกสองเท่ามือทั้ง2ถือตะบองอันลุกเป็นเปลวไฟกวัดแกงอยู่ข้างแล้ว1อันแล้วตีศรีรษะยักษ์พยามาณอา้าวแพ้เขาอีกนะพยามาณโดนตีก็สะดุ้งตกใจคิดว่าเราเนรมิตเป็นรูปร่างอย่างใดอย่างใดสมณะรูปนี้ก็เนรมิตรูปร่างอย่างนั้นให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่า เราจะกระทำไงดีนะเห็นทีจะต้องพ่ายแพ้นะแกสณะรูปนี้แน่นอนก็ตัดสินใจแสดงตัวให้ปรากฏเป็นรูปพญามารยืนอยู่ตรงหน้ามหาเถระนั่นแหละคือหมดท่าแล้วพ ร, ระอุบคุถเถระก็ได้คิดค้นวิธีการที่จะปราบพญามารว่าเราจะทำให้ยักษ์ตนนี้สิ้นฤทธิ์สิ้นความคิดหมดอุบายที่จะปดเพื่อนแก้ไขไดพ้พระเถระคิดแล้วก็แปลงกายจากรูปยักษ์กลับเป็นรูปพระมหาเถระเหมือนเดิม และได้เจนามิตสุนักเน่ามีกลิ่นเหม็นคลุ้งที่สุดเต็มไปด้วยหมู่หนอนมองดูแล้วหน้าขยะขยงแล้วเอาผูกติดไว้ที่คอของพญามารพร้อมกับอธิษฐานจิตว่าไม่ว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งหรือจะเป็นเทพพยาดาเป็นพรหมก็ตามทียาสามารถที่จะปลดเปลื้องหรือแก้หมาเน่านี้ออกได้เลยคือพญามารเนี่ยแพ้หมาเน่านืา้อผากันตรงๆแล้วคืออีตรงเนี่ยนะ แล้วกล่าวกับพญามารว่าดูก่อนมารใจบาปท่านจงไปจากที่นี้ได้แล้วไล่เปิดไปเลยเอาเนี่ยเอา้เอามาเน่าไปผูกคอไว้นะแล้วก็ไม่มีใครแก้ได้ไปได้แล้วคือพญามารเนี่ยเขาเป็นเทวเป็นหัวหน้าเทวดานะเขารักความสะอาดที่สุดปกติเขาสบายที่สุดอยู่แล้วคืออยากจะได้อะไรเนี่ยไม่ต้องคิดมีคนคิดแทนแล้วก็ไปในนามิตรไม้ในนามิตไอ้สิ่งที่ตัวเองอยากจะได้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ที่มาเจอไอ้หมาเน่าเนี่เขาเนี่ยปกติเนี่ยคนเนี่ยพยายามมาเนี่ก็เหม็นแย่อยู่แล้วนะเพราะกลิ่นมนุษย์เนี่ยมันเหม็นร่างกายเราเนี่ยเหม็นเทเทวดาทั้งหลายเวลามาแล้วเนี่ยจะต้องรีบกลับโลกมนุษย์เลยเพราะว่ากลิ่นมนุษย์เนี่ยเหม็นไปได้ร้อยโยชร์ร้อยโยตร์เท่าไหร่พันหกร้อยกิโลแต่พวกเราหอมกันนะหอมกลิ่นของเราเองกันเพราะอะไรเพราะไอ้พวกเรามันสกปรกอะไอ้จมูกยังเมือกเลยมันก็สกปรกอยู่แล้วมันก็เลย ไม่ค่อยเบนเท่าไหร่แต่พวกเทวดาก็มันเขาเป็นทิฟปัปสศาปปาสศาจมูกเขาเป็นทิฟเพราะฉะนั้นเขาเบนได้แกกินร้อยโย่อยก็โอ้โหไม่ไหวแล้วนะมนุษย์อะไรมันเหม็นอย่างนี้นะนะแล้วมนุษย์ก็แปลกก็ชอบไปชอบไปเที่ยวขอเทวดาชอบไปหาเทวดานั่นน่นที่ตัวเองมันเบนเนาะชอบไปหาเทวดาไปบวงสรวงเทวดาเป็นอย่างนี้เรื่องมันมั น, ม, นมันตลกอยูน่นี่เพราะฉะนั้น พระอุปคุตเถระก็กเลย์รามิตรหมานเน่าที่มันเหม็นที่สุดนะ่ะแล้วก็มีหมูน้อนก็กำลังขึ้นกําลังไปดูหมานเน่ากันแล้วกันานะไปดูหมานเฒ่าดูกันแล้วกันเพราะมันผูกติดอยู่ที่คอเนี่ยมันสบายใจนักหนาเลยนะเพราะฉนั้นพญามานเนี่ยหมดฤทธ์เลยสิ้นฤทธ์เลยแพ้หมานเน่านี่เองนะแพ้หมานเน่าเนี่พยพญามาผู้มีซากสุนักเน่า ผูกติดคออยู่อยู่โดยที่ตัวเองไม่สามารถจะปลดเปลื้องออกได้จะหาวิธีการอย่างไรก็สิ้นความคิดมีจิตกลุ่มกัดกัดกลุ่มอับหายแก่เทพยดามนุษย์ทั้งปวงไม่รู้จะหนีไปไหนพน้นนะเพราะหมาเน่ามันเหม็นนะมันไปไหนใครเขาก็รู้อ่ะนะเมื่อหมดทางแก้ไขก็เหาะไปหาเท้าจัตุราสเท้าจัตุมาทั้งสี่ซึ่งเขาเป็นเทวดาชั้นต่ำนะชั้นจาตุมนั้นนั้นดันไปหาก็ได้นะ คือเท้าเทตลัดเทวิรุลหกท้าวิรูปักแล้วเท้าเวสสวรร์เวสวันรนี่เป็นหัวหน้าขอวิงวอนมาค่าแต่เท้าจัตุโลกบาลเท้าจัตุโลกบาลมหาราชช่วยปลดเปลื้องสุนัขเน่าตัวนี้ออกจากคอของเขาไปเช่าด้วยเถิดเนี่ยน่ยไปขอให้เขาช่วยแก้หน่อยเท้าจัตุโลกนะท้าจัตุโลกบาลบอกว่าเหตุใดสุนัขเน่าจึงผูกติดอยู่ที่คอของท่านได้ก็ถามตาอิด้วก่อนถามตาอีิด้วก่อน พญามารบอกว่าฆ่าแต่เท้าจตุโลกมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระอุบคุตเถระท่าเนเอาสุนักเน่ามาผูกติดคอข้าพเจ้าไว้เท้าจตุโลกก บ, บาลพอได้ยินชื่อของพระมหาเถระเทนั้นบอกว่าฆ่าแต่พญามารพระเถระรูปนั้นมีฤทธานุภาพยิ่งนักเมื่อท่านเป็นผู้ผูกไว้ข้าพเจ้าก็หมดความสามารถจะช่วยแก้ให้ได้ท่านกลับไปหาพระเถระดีกว่านะท่านลูกแล้วท่านก็แก้เองนั่นแหละน่ะอันนี้ก็ ยังไม่จบนะเรื่องพยาบาลมีเรื่องตอนสําคัญอยู่ด้วยนะแต่ที่เอามาเล่านี้ก็เพื่อจะได้ให้เห็นว่านะ <c oughs> ผู้ชนะตนเองนั่นแหละเป็นผู้ประเสริฐสุดนะนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อชน ะ, ะตนเองได้แล้ว <c oughs> ก็จะเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งให้แก่ให้แก่ตัดโลกได้แม้ทั้งพยามาลที่เป็นศัตรูนะเพราะเพราะว่า พระองค์ทรงชนะกิเลสของพระองค์แล้วมีพระหารุไทยกรุณาพยามารก็ไม่ก็ไม่เบียดเบียนพยามารพยามารได้รู้สำนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าจึงได้กลับใจมานับถือได้ปฏิญาณตนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ <c oughs> การ <c oughs> ชนะตนเองนะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่แก่ตัวเราเองและแก่สัตว์โลกผู้อื่น เราได้มาบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ชนะตนอันสูงสุดและบูชาคุณของพระธรรมซึ่งนำไปสู่ความชนะกิเลสทั้งปวงและบูชาคุณของพระหันเช่นพระมหากัส ป, ปะเทระหรือพระบุคุลเทระเพื่อเพื่อประโยชน์สูงสุดคือชัยชนะต่อกิเลสตนเองก็ขอให้ความปรารถนานี้จงสำเร็จโดยทั่วถึงการทุกท่านเธิน